บรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบเพราะยินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือหนึ่งสำมุขาวินยัย 2. ปติญญาตะกัรณะ 3. สัมสำมุขขาวินยัย กับตินนวัฏฐารกับละ 5. ปาติเทสนิยกันคำถามคำตอบสมถะในปาติเทสนิยกันละ 5. ปาติเทสนิยสิกขาบทที่8ถามเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันอาบัดทั้งหลาย บรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันอาบัดทั้งหลายบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สัมมุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตการณะส สั ม, มุขาวินันกับตินวัฏฐากะสมถวาระที่เจ็ดจบ